ก็มุทนาด้วยนะที่ได้แบ่งปันก็เรื่อแบ่งปันที่วัดมาก็ให้พระทำกันเป็นประจำโดยเฉพาะวันพระสิบห้าค่ ม, มก็แบ่งปันกันเรียกว่ารายงานอารมณ์ก็ได้หรือแบ่งปันในสิ่งที่ดีๆก็ได้ก็ เป็นวิธีการนนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นคนที่ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาคนที่มีศรัทธาแล้วก็จะได้มันคงยิ่งขึ้นนะอันนี้คือก็ได้พากันทำตลอดพระอาจารย์เกษินท่านก็ได้สิบทอดต่อมาในช่วงไหนที่ญาติโยมมีประสบการณ์มีแบบอย่างที่ชัดเจนก็ให้มา พูดให้กันฟังแบ่งปันเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องอาศัยเวลานานความศรัทธามันจะมั่งคงควรจะปฏิบัติได้อาจจะอาศัยเวลานานแต่พอได้ยิน <c oughs> ใครคนใดคนหนึ่งแบ่งปันให้ข้อคิดอย่างนี้เราก็ศรัทธาเราก็เพิ่มมันก็เหมือนปุ๋ยนะถ้าเราจะให้มันเจริญเติบโตตามธรรมชาติมันอาจจะช้าหน่อยพอใส่ปุ๋ยเข้าไปโดยไม่โดนั้นกลำเติบโตด้วยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีเหมือนกันคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆศรัทธาไม่มั่นคงก็พอได้ยินโยมหรือพระ อ, องค์เดวหนึ่งแบ่งปันตรงนี้ปับ๊บมันได้ได้ใส่ปุ๋ยศรัทธามันคงขึ้นทันทีไม่ลังเลไม่สงสัยละนะแต่ว่าโยมระเบียบเนี่ยมาทําบุญทอดกระถินหาป่า ท, ทั้งแต่นูน่นตั้งแต่ปีสามหกสามเจ็ดสมัยสร้างแพร่แสงเทียนใหม่ๆ ตอนนั้นก็เรียกว่าถ้าเป็นผลไม้กับวันพึ่งพึ่งติดเนาะมันยังไม่งอมก็ต้องผ่านแดดผ่านฝนผ่า น, านลมแน่ใจไหม ว, ว, ว่ามะม่วงบางลูกเนะี่ยมันจะผ่านการทดสอบของแดดของลมมาได้ถึงวันนี้เนะี่ยหลายคนมันหลุนล่วงไปผลไม้หลายผลมันติดดอกเยอะนะนมะม่วงเป็นนับไม่ได้ แต่พอมันเหลือลูกเหลือผลแล้วมันเหลือไม่เท่าไหร่นะพ่อมันจะต้งแดดผ่านแดดผ่านลมผ่านฝนผ่านการทดสอบต่างๆนี่คนเข้ามาสู่วิธีการปฏิบัติก็ไม่ใช่น้นอยๆนะเหมือนดอกมะม่วงทีเดียวแต่ที่จะเหลือเพื่อพิสูจน์ผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมมาถึงตรงนี้ได้เนะี่ยอย่างลุงระเบียบผ่านมาสิบกว่าปีไม่หลุดไม่ล่วงไม่ห ล, ล่นไปนี่ก็กนับว่ามีความสมบูรณนะ์ในแง่ของการให้ทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนา ถึงอยู่มาได้ถึงวันนี้นี่คือความคือธรรมชาตินะธรรมชาติหลายคนที่หลุดร่วงไปเป็นมะม่วงหนุ่มขึ้นมาหน่อยเขาก็ซอยไปกินเป็นมะม่วงแก่ขึ้นมาหน่อยก็กิ่งมันหักเป็น ม, ม่วงแก่ขึ้นมาอีกหน่อยเขาก็เอาไปกินดิบเป็นมะ ม, ม่วงหืมขึ้นมาหน่อยก็มีแมงมากิน จนกลายเป็นว่ามงสุกได้นี่โอ้โหมันต้องผ่านการพิสูจน์มากมายคนเราก็เหมือนกันเหมือนอย่างนั้นก็เรามีความเข้มแข็งความเหนียวแน่นของทานของศีลแล้วทานศีลที่ทํามาก็ต้องค่อนข้างบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยนะมันถึงจะมาสืบถึงตรงนี้ได้บางคนให้ทานพ่อหวังผลหวังว่าจะได้อันนั้นหวังว่าจะได้อันนี้มันก็เลยเมื่อทานไม่บริสุทธิ์ศีลก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลบริบริสุทธิ์ภาวนาก็ไม่บริสุทธิ์ ก็เหมือนมะม่วงที่มันติดแล้วเนี่ยมันมีแมงอ่ะมีแมงมากัดมาเจาะอืมก็ทําให้มะม่วงผล น, นั้นไม่สมบูรณ์เต็มที่เหมือนกันอ่ะจิตใจสตางค์ของคนเราเหมือนกันมาคุณมาปฏิบัติได้ปีหนึ่งก็ล่วงไปมาคนปฏิบัติได้สองปีก็ล่วงไปมาคนปฏิบัติได้สามปีก็ล่วงไปมาคนปฏิบัติได้สี่ปียังล่วงไปก็มีนะเหมือนมะม่วงมันใกล้จะแก่แล้วเนี่ย มันเกิดอุบัติเหตุนะหลุดล่วงไปก็มีเมื่อมองผลสุดท้ายเนี่มันสุกมันงอมที่มาให้คนกินได้เนี่ยนับว่ามันล่วงผ่านการอันตรายการพิสูจน์มาอย่างมากมายจิตใจของเราก็เหมือนกันการปฏิบัติของเรากวรจะผ่านมาถึงได้วันนี้เนี่ยผ่านการพิสูจน์มาของแดดของฝนของลมของกิเลสผ่านราคะโทสะโมหะพิสูจน์มา ราคะก็มันฝนโทสะก็มันแดดโมหางก็มันลมไม่รู้ว่าไอามะม่องฝน้นมันจะล่วง้วยแดด ด, ด้วยลม้ดยฝนเห็นไห ม, ไหมผ่านดูการของจิตมาอย่างมากมายและดูการของภายนอกเนี่ย น, นะเป็นเดือนหรือเป็นปีมันจะมาครั้งหนึ่งไม่กี่หนนแต่เืดูการของจิตมันมาได้ทุกนาที เดี๋ยวลาค้าเกิดเดี๋ยวโทสะเกิดเดี๋ยวโมหะเกิดเดี๋ยวอารมณ์เกิดเดี๋ยวความพอใจเกิดเดี๋ยวความไม่พอใจเกิดดูซิว่าโพธิจิตของเราเนี่ยมันจะไม่หลุดล่วงไม่ได้หักโชนได้งไงบางครั้งก็อารมณ์แรงๆมาพัดออกไปนี่คือข้อเท้จริงโดยที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเราก็พยายามโอปัญยิโกอย่างนี้เสมอนะแล้วปัญญามก็จะเกิด แล้วก็ส่วนที่สําคัญก็ถ้าทานบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ความเหนียวแน่นมันเกิดอย่างสมมุติโยมมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันปวดท้องมันปวดท้องก็กลับบ้านพอกลับบ้านมันก็มีสิ่งอันมาช่วยโยมพิคูลบอกว่าเอา้าก็นอนทําก็ได้นอนที่นี่มันก็ทําำไแต่ที่บ้านล่ะแต่ถ้าบุญของโยมไม่พอทานของโยมไม่บริสุทธิ์ก็ไปเลย นอนที่นี่มันก็ไม่สบายดิเป็นตัวอย่างความคิดเหตุผลก็แย้งอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่เห็นด้วยกับคําเตือนคําบอกมันทีแย้งนอนที่นี่เดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเกิดเป็นอะไรมากขึ้นมาเอาไม่ทันกลับบ้านดี่าความคิดในส่วนที่มันไม่ริสุธ์ที่เป็นกิเลสมันก็แหลมคมเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นความแหลมคมของกิเลกกับปัญญาเนี่ยความจริงกิเลสกรัญยามันก็ตัวเดียวกันนี่นแหละแต่ว่าหัวขบวนมันคืออะไรหัวขบวนมันคือ กุศลหรืออกุศลหัวขบวนมันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิตรงเนี้สสำคัญนะแล้วก็พิสูจน์ได้หลายอย่างแล้วอยู่ที่บ้านมีบ้านของเราให้ความสะดวกสบายทุกอย่างมีแอร์มีรถมีอาหารมีบ้านมีพัดลมมีความสะดวกทุกอย่างแต่พอมาที่นี่มาเจออะไรก็ขัดหมดนะอาหารก็กินไม่อิ่มไม่เต็มมานั่งปฏิบัติก็อาจารย์ก็ต้องหา ทำจะลู้ไปก็เก่งใจก็ทุกทรมานความเหนียวแน่นเกิดอีกบุญกุศลที่สะอาดบริสุทธิ์มาช่วยอีกทําให้คิดไปทางดีเออเราปฏิบัตินี้ก็ดีนะพัฒนาความอดทนนะอยู่ที่บ้านภาิกยุมันพาไปอยู่ที่นี่ทนกระแสขัดเกลามันต้องทําอย่างนี้เห็นไหมด้วยส ม, มาธิฐิ่มันก็เกิดขึ้นมาช่วยนี่ความเหนียวแน่นความบริสุทธิ์ของฐานของศีลไม่ใช่ธรรมดามันมาช่วยทุกขั้นตอนแต่เราไม่รู้ยังไง ในช่วงวิกฤตมีความคิดที่ดีๆขึ้นมาช่วยเนี่ยกุศลและจิตขึ้นมาช่วยนั้นมันพิสูจน์ได้ว่าทานสิ่งที่เราทํามาทำได้บริ ส, สุทธิ์ใจเราไม่หวังผลว่าเราจะไปเกิดเป็นเทวดาไปแล้งผลว่าเราจะร่ําำรวยไม่ได้หวังผลว่าเราจะถูกหวยรวยทรัพย์อะไรไม่ได้หวังอย่างนั้นนั่นคือทานที่บริ ส, สุทธิ์ระหวังแต่ว่าให้แล้วก็เพื่ อ, อสง่งเคราะห์เพื่อมรรคผลผลหวังไปอย่างนั้นหวังได้นะแต่หวังในทางที่เป็นถูกต้องนี่คืออันนี้สูงนะ เพราะนั้นการเข้ามาปฏิบัติเนี่ยอามาจึงไม่แปลกใจว่าในวิธีการของเทียนทาไมคนไม่ได้หลั่งไหลมาปฏิบัติหลากหลาย ท, ทั้งที่เป็นผลดีเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติที่พิสูจน์กันอย่างนีน้ซึ่งต่างกันในวิธีการอื่นคุณมาเป็นพันๆหมื่นๆนี้เราก็ไม่แปลกใจเหมือนมะม่วงบาง ฤดูกาลนะมันเป็นดอกเต็มกิ่งแทบจะหักนะเอาพอเพี้ยมาลงล่วงหมดเลยไม่ติดไม่แต่ดอกเดียวเคยเห็นไหมเพี้ยดำลงไม่ติดเลยปีนั้นเป็นดอกเต็มต้นบางกลุ่มบางคณะบางสถาบับางวิธีการคนไปหลากหลายเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าเอาผลจริงๆไม่มีอะไรเหลือเ พ, พราะเพี้ยมาลงหลักการ เ, าเดียวกันเอาไปคิดให้ดีพราธรรมะคือธรรมชาติ ไม่ว่าลูกทำนำทำมันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นแม้แต่ญาติโยมหรือพระที่เข้ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ไม่แปลกใจว่าทําไมท่านหลุนล่วงมาได้ปฏิบัติเป็นครูบาอาจารย์ห้าพันศาสิพันศรัายี่สิศรัาถ้าเราเข้าใจธรรมะ <c oughs> ที่เป็นสัจธรรมจริงเราจะไม่แปลกใจว่าอาจารย์ทำไ ม, มนัเป็นอาจารย์กรรมฐ า, านบทมายี่บสี่หลวงพ่อเอไปเสียคนหรือว่าเราจะไม่แปลกใจอันนั้นคือกฎของกรรม พราะทุกเวลานาทีที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าใครสั่งสมกุศลแจิตใครสั่งสมอกุศลจิตใครสั่งสมมิจฉาทิฏฐิใครสั่งสมสัมมาทิฏฐิไม่มีใครรู้ครูอาจารย์ก็ไม่ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นนะอะจะไปโทษคนนั้นคนนี้ไม่ได้ตัวเขาเองเป็นคนสร้างให้แก่ตัวเองแต่คนที่ยังไม่ฉลาดพอเขไปโทษคนนั้นคนนี้ทํำให้เป็นไป เออถ้าไม่ใช่พอหลวงพอ่อเขาคูไม่เป็นเนี่ยอันนี้ความไม่ฉลาดในการคิดกูศลยังไม่พอไงแต่เขาฉลาดในการคิดอันนี้คือกฎของกรรมเราเชื่อมั่นในกฎของกรรมปฏิเสธไม่ได้เลยเห็นหซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจให้ละเอียดบริสุทธิ์จริงๆในสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะเมื่องี้มันมีแง่มุมที่เราสงสัยอะ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อย่างโยมบ้าเมาื่อกี้ มันมีเอควิชันขึ้นในหัวเยอะแยะไปหมดทำไมทำไมทำไมแต่มาถึงบทนี้มันมีคำตอบแล้วใช่ไหมอ่ามันมีมันมีคำตอบละมันมีวายก็มีบีคอยส์ละมีทำไมก็มีเพราะว่าแล้วดี๋ยนี้มาได้ละไอการที่เราได้คำตอบจากปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยตามภาษาพูดธเขาเรียกว่าตรัสรู้อ่าคือรู้ปัญหาที่ไม่ใช่รู้ทุกเรื่องที่เราสงสัยในเรื่องของ ลูกทำนามทำอย่างเดียวนะท่ามาเคยถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อพุทธทาสว่าหลวงพ่อพุทธเจ้าได้รับการยกย่องว่าเป็นสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องในโลกนี้ผมสงสัยว่าทำไมพุทธเจ้าทําไมไม่สอนวิทยาศาสตร์ล่ะไม่สอนเรื่องไอการไปดวงดาวต่างๆไปยังไงมีดวงดาวไหนมีมนุษย์ดวงดาวไหนมไม่ทําไมท่านไม่ไม่พูดไม่บอกให้เลยละท่านบอกว่ายัางไงท่านตอบว่า ที่ว่า <referring> ท่สัพพัญญูคนรู้เรื่องทุกเรื่องที่จะดับทุกไม่ใช่รู้เรื่องทุกเรื่องที네่จะทําให้เ <NP> กิดปัญหาและความทุกข์เรื่องอะไรกระทำที่จะให้ทุกมันดับท่านรู้หมดคือสัพพัญญูในด้านนั้นไม่ใช่สัพพัญญูไปทุกเรื่องในเรื่องของอะไรกระทำไม่ใช่อย่างนั้นอามาก็เลยสว่างท่านนุ่นมาเขาให้สัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องที่จะไม่เกิดปัญหารู้ทุกเรื่องที่มันจะทุกมันดับรู้ทุกเรื่องที่มันจะหมดกิเลสรู้ทุกเรื่องที่มันจะทำให้หมดอาสวะท่านรู้อย่างนั้นอออเเป็นนย่างงี้ นะนั่นเวลาฝั่งฝรั่งถามเรื่องเนี้มาก็มีคําตอบเรื่องนี้ให้ว่าทําไมว่าศาสนาของอยูเนี่ยเป็นสัพพัญยูแต่ทําไมเรื่องนี้ไม่รู้ว่านักวิทยาศาสตร์อย่างอานเบิร์ไอน์ไตน์เขารู้หมดแต่ศาสนาคุณทํำไมไม่สอน่ะเราก็มีคําตอบให้เขาว่าศาสนาของฉันไม่สอนเรื่องที่จะทําให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาหรอกแต่เรื่องไหนที่มันจะหมดทุกข์หมดหาศาสนาของฉันสอนอย่างนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เรา ช่ดีนะโยมที่กล่าวมาช่วงดีที่ได้มาปฏิบัตินะจเจริญสติโดวยวิธีการอย่างนี้แล้วก็จะมาเองก็ไปไปบอกเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องสตินี่เรื่องอื่นไม่ได้ให้เวลาหรือไม่ให้ความสําคัญมากเท่าไหร่แต่ว่าเราพูดหลายคนพูดกับหลายคนหลายประสบการณ์หลายสถานการณ์หลายระดับจิตหลายวาระจิต เพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันอาจจะพูดคนละวิธีการสติพูดกับนักธุรกิจต้องพูดอย่างนี้สติพูดกับชาณะต้องพูดอย่างนี้สติพูดกับคนปฏิบัติกรรมฐานต้องพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหมือนหนึ่งว่ามันแตกต่างหรือมันผิดเพี้ยนแต่ไม่ใช่แต่ในการสร้างความเข้าใจเนี่ยมันต้องปรับระดับไปตามพื้นจิตของคนกมยูพระพุทธเจ้าท่านเคสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวหลวงพ่อเทียนก็ยสอนเรื่องนี้เรื่องเดียว ท่านถือกระดับว่ายัางไงใช่ไหมบอกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีทุกข์และมีเรื่องดับทุกข์แล้วพระศาสด า, าไม่จําเป็นต้องมาเกิดเราจะถากคนไม่จําเป็นต้องเกิดแต่เพราะมีสองเรื่องนี้อะเรามาทำสองเรื่องนี้คือเรื่องให้เสียหเห็นทุกข์และวิธีการดับทุกข์เท e ่านั้นคือหน้าที่ของเราเห็นไหมไม่ใช่เรื่องแปดหมื่นสี่พันท่าบอกแปดหมื่นสี่พันธ้ามาันสรุปแล้วก็เหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์และการดับทุกข์นะท่นั้นเองก็ อยากจะให้อญ า, อยาโยมที่มาปฏิบัติแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันตรงแล้วก็ไม่ได้บอกให้โยมว่ามันตรงอย่างไรนะโยมต้องไปพิสูจน์ไม่จําเป็นต้องเชื่อครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เชื่อแต่ท่านสอนให้พิสูจน์จริงไหมที่ว่าเดินจกภมแล้วเนี่ยความคิดมันลดลงบางคนบอกว่าไม่ใช่นะฉันยิ่งเดินยิ่งคิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะ เข้าใจยังไม่ถูกจริงไหมว่านั่งจงกรมนั่งสร้างจวัวะแล้วมันง่วงะต้องไปพิสูจน์อง่วงแล้วนั่งสร้างจัหวะมันไม่ง่วงก็มีเนี่ยแต่ไม่ไม่เอาล่ะไม่ใช่ว่าสร้างจัหวะจะง่วงเสมอไปไอตัวไม่ง่วงก็มีแต่เราหาไม่เจอเราหามันยังไม่เป็นตรงนี้เขาเรียกประสบการณ์เราน้อยไปเดินจงกรมที่ว่ามันคิดไอเดินจงกรมแล้วไม่คิดมันก็มี แต่เรายังหาวิธีการนั้นยังไม่เจอหาต่อไปนี่คือการพิสูจน์พิสูจน์ไม่ใช่ไปถามเอาแบบทฤษฎีนะ H2O เป็นน้ําไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกพิสูจน์ว่าเขาว่าเดินจง ก, กรมแล้วมันคิดฟุ้งซ่านจริงไหมเดินดูเอ๊ฉันเดินแล้วฉันไม่คิดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่พิสูจน์ละอ๋อแต่บางคนอ๋อจริงๆเดินแล้วมันจงเดินจง ก, กรมมันฟุ้งซ่านจริ ง, รงอ๋อมันใช่เห็นไหมถ้าพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นด้วยตัวเอง เรียกปัจจตังอย่างไงปัจจตังดังนั้นเองพุทธศาสนามีจุดเด่นตรงนี้คือไม่ได้สอนให้เชื่อครูาอาจารย์จะเก่งขนาดไหนจะรู้ขนาดไหนท่านก็ไม่ได้สอนให้เชื่ อ, อหลักฐานยืนยันว่าไงตุมเฮหิกิจังอาตะปังอาคาตาโรตะทาคาตาปฏิปันาปรมกขันติชายโนมาราพันธนา ท่านทั้งหลายต้องทําการพิสูจน์ด้วยตนเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกใครมีปกติชอบพิสูจน์คนนั้นจะพ้นทุกข์นีท่านตัดเอาไว้เลยอันนี้มาแปลแบบประยุกต์นะมี <c oughs> คนใดมีปกติเพ่งพิดีคนนั้นจะพ้นอย่าบ่แห่งมันยมไม่รู้หรอกไอ้เพ่งพิดียังไงบ่วงแห่งมันเป็นยังไงแต่คนใดมีปกติชอบพิสูจน์คนนั้นจะพ้นทุกข์อันนี้มันชัดใช่ไหม ดังนั้นเราจะเห็นว่าการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนก็ใช้เวลานานบางคนก็ใช้เวลาปานกลางบางคนก็ใช้เวลาน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่องค์ประกอบสองอย่างหนึ่งเจอกายานุมิตรดีไหมถูกต้องไหมดีงามไหมถูกท้วนไหมนี่องค์ประกอบที่หนึ่งสำคัญมากสองเราเองมีความถี่ถุวนหรือเปล่า เราเองมีสติปัญญาได้สั่งสมมาเราเองมีคุณสมบัติทานศีลภาวนาได้สั่งสมมามากน้อยแค่ไหนสองอค์ประกอบนีนะ้ถ้าหากว่าสององค์ประกอบนี้สมบูรณ์เนี่ยสามารถพลิกโจนให้เป็นพระอรหันต์เลยนะไม่ใช่ธรรมดานะตัวอย่างพระองค์ุลิมานเนย่งไงข่าคุณมาเป็นพันอนะ่ะพอไปเจอพระพุทธเจ้าเจอกัละยณวิตยอย่างพระพุทธเจ้า แล้วท่านก็น้อมใจเชื่อมีศรัทธามีความถี่ทวดในคําตอบของพุทธเจ้าท่านพลิกจากชีวิตเป็นมหาจุลเป็นพระหันได์ได้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบสองอย่างเนี่ยท่านว่าเป็นบุพนิมิตของการรู้ธรรมการบรรลุธรรมท่านเปิดสมมติ น, นึงว่าเมื่อเช้าก่อนอรุ่งอรุณเนี่ยเรารู้ว่าแสงแตะวันจะขึ้นเรามองไปทางที่ตะวันออก เราเห็นแสงสว่างลำรางขึ้นมาทางทิศตะวันออกและก็รู้ต่อไปว่าไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้เห็นแสงตะวันบอกว่ะชั้นใดก็ดีทำสองประการ น, นี้คือปาโตโคโสะคือกรนดมิดและโยนิสุมนิสิการคือคุณสมบัติของเราเอง ถ้าเมื่อใดเราพบธรรมสองประการนี้บุคคลนั้นมีอนาคตที่ได้เข้าถึงสัจธรรมแน่นอนเสมือนกับว่าเราเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นทางทวนอลกและไม่กี่นาทีและชั่วโมงข้างหน้าต้องได้เห็นแสงพระอาทิตย์แน่นอนชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านตัดถึงความสำคัญของธรรมสองประการนี้นะคือกิรยานมิตแต่ว่ากิริยานมิตต้องพ่วงคุณสมบัติอีกสองประการนะกิริยานิสาย แล้วก็กัลยาณะสปวังกะหมายความว่าเรามาปฏิบัติที่นี่แล้วเรามีเพื่อนปฏิบัติทางเดียวกันด้วยเขาเรียกยกัลยาณ์นิสัยกัลยาณ์มิตรคือครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงที่ท่านบอกจริงตรงไปตรงมาไม่มีอะไรหมกเม็ดปกปิดมิดเมียนมีอะไรบอกไปอย่างนั้นเราเจออาจารย์อย่างนั้นได้ได้ไหมเรามีกัลยาได้หายเพื่อนแวดล้อมที่ช่วยเราเนี่ยญาติโยมที่ ที่ให้กำลังใจแกเราเนี่ยเรียกว่ากัลยาณ์สายไม่มีการขัดแย้งถกเถียงไม่มีการทะเลาะเบาะแวงเรื่องวิธีการเราพูดเราเข้าใจไปทางเดียวกันเรียกว่ากัลยาณ์สายแล้วกัลยาณสัมปวังกาตาสภาพแวดล้อมเอื้ อ, อเช่นมาที่นี่แล้วมันสงบสงดัดมีอะไระที่จะเข้ามารบกวนครูอาจารย์ก็ช่วยปกป้อง แล้วก็แบ่งเขตแบ่งที่อะไรชัดเจนอาหารการกินก็สอดคล้องไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่หิวเกินไปไม่อิ่มเกินไปเขาเรียกว่าสปายะไอตรงเนี้ยสัมปวังกตาเนี่ยกิริยานิสัมปว์คือสปายะสี่คืออาหารและสปายะอาหารที่พอหาได้ง่ายและถูกธาตุของตัวเองอแล้วอาวาัชสปายะ วัดที่พักที่อยู่อาศัยก็สะดวกสบายพอแก่อัตภาพไม่สบายเกินไปไม่ลาบากเกินไปธรรมะสปายะทำที่เรานํามาปฏิบัติเนี่ยคือวิธรรีการที่เรานํามาปฏิบัติที่นี่ทําแล้วมันเอื้อต่ออีสีของเราไม่หนักเกินไปไม่เบาขึ้นได้ทําได้เรื่อยๆเรียกว่าธรรมะสปายะแล้วก็ปุคระสปายะคือ บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์เราไม่ว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนพ้องเป็นบุคคลที่อยู่ในที่เนี่ยต่างคนก็ต่างเอื้อต่อความสงบสงดัดไม่รบกวนซึ่งกันและกันะจะพูดจะกล่าวจะคขานอะไรก็เป็นในทางเดียวกันไม่เสียงดังเกินไปไม่เป็นเหตุให้ลิ้นเรื่องต้องคิดปรุงแต่งในอกุศลที่เรียกว่าปุฆราสปยาสพยะทั้งสี่นี้เราเรียกว่ากริยานสัมปวังกาตา เพราะนะั้นสมอย่างนี่หาได้ไม่ง่ายนักไนงะองค์ประกอบสามอย่างนี่ยรวมแล้วเรียกว่ากริยนิมิตกริยนิมิตตาหรือตามภาษาบาลีท่านใช้ปารโตโคสะรู้จักฟังผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมแต่องค์ประกอบที่สําคัญอีกมากกว่านี้อีกก็คือโยนิโสมนัสการที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเราได้สังสมความถี่ทวนสติปัญญามามากน้อยแค่ไหนเราได้สังสม การให้ทานรักษาศีลบริสุทธิ์แค่ไหนเนี่ยถ้าหากว่าในอดีตเราไม่ได้สั่งสมสิ่งเหล่านี้เราก็อย่าไปท้ะเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้แต่เริ่มต้นที่ถูกต้องมีตัวอย่างประกอบนิดนึงหลวงพ่อกลมนะานในสายงานเดินี้อายุท่านแปดสิบปานะท่านเข้ามาสู่สายงานเมื่ออายุสักหกสิบกว่า หันปฏิบัติมาเป็นปีเศษอะแล้วลูกน้ำกับไม่รู้อะไรก็ไม่เข้าใจคนอื่นเขารู้ลูกน้ำกันท่านก็ท้อบอกผมไม่มีวาสนาบารมีผมสึกไปเรื่องลูกเรื่องเมียเหมือนเดิมดีฟา้ากับไ ป, ไปหาหลวงพ่อเทียนไปลานหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาปีเศษเนี่ยลูกน้ำผมยังไม่รู้เลยอะไรเป็นอะไรผมขอลากลับบ้านผมไปสึก ผมไม่มีวา ส, สนาบา ร, รมีผมคงจะต้องไปสร้างบุญสร้างทานใหม่เพราะปฏิบัติถ้ามันมีบุญวา ส, สนาเหมือนเพื่อนวันนี้คงจะรู้ไปแล้วพระเทียนก็ถามมลงพ่กรมบุญวา ส, สนาบา ร, รมีนี้คืออะไรก็คือสิ่งที่ได้สั่งสมมาในอดีตสร้างมาอย่างโ น, น้อย่างนี้สั่งน้ำทำบุญมาทันบอกว่าอันนั้นก็ถูกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดบา ร, รมีแปลว่าขยัน ขยันทําในสิ่งที่ถูกต้องไอ้ที่แล้วมาเราอาจจะทําไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันไม่ถูกเพราะว่ามันไม่เอื้อให้เรารู้ทําได้ไวเพราะแสดงว่าเราทํามามันไม่ถูกต้องทําใหม่ทําให้มันถูกขยันให้ถูกสร้างมันถูกมันแล้วไม่นานมันจะรู้เออท่านก็เกิดกําลังใจอย่างนั้นผมเริ่มตั้งแต่วันนี้ผมจะขยันให้ถูกแล้วหลวงพ่อยช่วยผมด้วยท่านก็คอยแนะคอยนําไปเก็บอารมณ์ได้สิบสี่วันนะ ปากฏว่าวันที่สิบสี่นั่นแหละเข้าใจรูปนามพัวขึ้นมาทะลุปุปวงไปถึงสมมุติไปถึงปรมัติต์เลยทีเดียวเห็นไหมนี่คือเราอย่าท้อในส่วนที่มันยังไม่รู้ไม่เห็นแต่ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์มันไทยมันถามมันซักถามท่านว่าทำไมไมันเป็นอย่างนี้นี่คือในเมื่อท่านตอบแล้วท่านทำความเข้าใจแล้วเราต้องเอาไปทาให้มันถูกแล้วไม่นาน มันจะรู้มันจะเห็นของมันเองเราไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นนะทําให้มันถูกก็แล้วกันมันเราเดินทางจากที่นี่ไปเมืองแพร่เนี่ยไม่ต้องไปอยากถึงมันนะแต่ไปเดินทางให้มันถูกเดี๋ยวมันถึงเองอมรรคผลนิพพานก็ไม่ต้องหวังไม่ต้องอยากหรอกแต่ทําเดินทางให้มันถูกในสิ่งที่ท่านนำเสนอแล้วมันไปถึงของมันเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยเราจะเห็นว่ามัน อยู่ที่ความเข้าใจดังนั้นองค์ของสมาธิธิเนี่ยท่านจึงเอาเป็นองค์แรกของมรรคเลยไงแล้วก็ท่านตรัสไว้ด้วยว่าตัวสมา ธ, ธิตัวเดียวเนี่ยคุมทั้งหมดนะทําไมท่านกล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวเป็นวลีว่าอย่างนี้สมา ธ, ธิิสมาธานาสัพพทุขาปจคุงเมื่อเราได้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วสามารถจะพ้นจากความผูกปัญหาทั้งปวงได้ แต่ว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากมิตาสัมมาอาชีวสัมมาสติสัมมาสัมปชัญญท่านไม่ได้พูดถึงเลยแม้แต่องค์เดียวแต่ท่านพูดถึงองค์สัมมาทิฏฐิองค์เดียวเห็นไมเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิแปลว่าแปลว่าความเข้าใจถูกความคิดความเข้าใจความเห็นมันถูกมันถูกอย่างไรอ่ะอันนี้ก็ต้องอ่าหาแล้วนั้นในวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจึงให้ข้อคิดให้อารมณ์กันบ่อยมาก เพื่อให้เข้าใจถูกในวิธีการบางสายบางวิธีการบางทีอสามวันเจ็ดวันเขาให้อารมณ์มันครั้งหนึ่งหรือบางทีเป็นเดือนเขาก็ไปสอบอารมณ์อีกครั้งนึงแต่ในวิธีการของพ่อเทีนสอบอารมณ์กันวันละหลายครั้งทําความเข้าใจกันวันละหลายหลายหนตรงนี้ยังไงมันเลยเป็นทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือทําให้ผู้มีศรัทธาได้ ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ยอมรับแล้วก็อาไปพิสูจน์ได้ผลเร็วนี่ข้อดีข้อเสียคือคนนั้นยังไม่มีศรัทธาเพียงพอพอได้รับการทำความค่อยใจฟังพูดบ่อยๆเกิดหุดหิดตีดอารมณ์อะไรพูดกันนักหนาะฟังกันนักหนาะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนี่ศรัทธาไม่มั่นคงก็จะออกมาลูปแบบนั้นเหมือนกันนะเห็นไหมดังนะั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะกวยมจะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ย สตางไม่มั่นคงพอไอ้คำแนะนำต่างๆมันกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นหอกเป็นดาบต่ําทิ่งต่ําเราแต่สตามัม่นคงเพยียงพอคำแนะนำการทําทความเข้าใจมันกลายเป็นดอกไม้มาบูชาเราก็มีเราจะเอาดอกไม้หรือจะเอาหอกอดาดับขึ้นอยู่ที่เรานะไม่ได้สิคุณนําเสนอนะดังนั้นเองจึงอยากจะบอกว่าอย่าเบื่อในการทํา เมื่อครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่พูดทำมาให้ฟังฟังให้เป็นกลางแต่ล้าเราเอาอัตตาตัวตนเข้าไปฟังแล้วมันจะงุนหงิดคนไหนพูดถูกใจก็ดีใจชอบคนไหนพูดไม่ถูกใจก็ปฏิฆะไม่ชอบมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้แหละนั่นคือเรายังไม่เข้าใจนะยังไม่มีศรัทธาเข้มแข็งพอนั่นในเรื่องอย่างเนี้ยเราต้องพิสูจน์นะคาตาโรต่าคาตา เราแต่ทาคดเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นผู้ใดมีปกติชอบพิสูจน์ผู้นั้นจะพ้นทุกข์หมายความว่าเขาบอกอะไรมาก็ไม่เชื่อหรอกแต่ไปทำดูก่อนใช่ไหมแต่เขาบอกแล้วไม่เชื่อด้วยเราก็ไม่พิสูจน์ด้วยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะอ่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ก้าวหน้าล้าหลังไปเลยหรือเอาไปพิสูจน์แล้วมันยังผิดอยู่ก็พิสูจน์อีก เพราะบางทีสติปัญญาเราไม่เข้มแข็งพอเพราะเราเคยเป็นคนหยาบคนจับจดุดคนมักง่ายคนอไม่มีความละเอียดแต่ออกมาก่อนโดยเฉพาะตัวอย่างอาตมามาเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนหยาบคนจับจดุดคนอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายเมื่อมาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นวิบากกรรมอันเกิดจากอาการอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดการแก้ไขเกิดแก้ไขอ ย, อย่างไร อันไหนที่เราผิดพลาดแก้ไขทันทีพอแก้ไขบ่อยเข้าบ่อยเข้าแก้ไขสามครั้งมันก็ยังไม่เสร็จมันจะไม่ถูกไม่ท่วนแก้ไขมันไปสิบครั้งยี่สิบครั้งหลายๆลาครั้งมันต้องได้เหมือนเราทําเลขคณิตข้อไหนมันยากเนี่ยเราไม่อยากทําไปทําที่ข้อง่ายๆแต่อีข้อยากนี่สำคัญนะถ้าเราทําถูกสักข้อนี้ข้อหนึ่งในะข้อง่ายๆไม่ยากเลย แตทำแล้วผิดแล้วผิดอีกกัส่งครูที่ไหนมันผิดมาทุกทีอ่ะต้องไปถามครูอีกทำแล้วทำอีกเลขข้อเดียวทำมันจะสิบครั้งยี่สิบครั้งดูซิมันจะยากต่อไปไหมถ้าไม่ยากต่อไปก็สแสดงว่ามันไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วนักเรียนคนนั้นแต่นักเรียนเก่งไม่ต้องพูดถึงอแต่หมายถึงว่าเราเป็นคนไม่เก่งในเรื่องเป็นคนหยาบคนเห็นแก่ตัวคนโมโหฉุนเฉียวง่ายเป็นคนเอาใจใจตัวเนี่ยต้องแก้แล้วแก้อีก แต่ถ้าหากบุคคลนี้แก้ตัวเองได้สําเร็จนะแก้ไขตัวเองได้บุคคลนี้จะมีประสบการณ์มหาศาลเลยในการแก้ไขตัวเองไปสอนใครที่ไหนก็ได้ที่นี้นะเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากประสบการณ์ที่พี่สูจนมาด้วยตัวเองบางทีผู้ริจ้าหรือพระครูบาจารย์ทั้งหลายท่านสอนถูกนะแต่ปัญญาเรื่องพัฒนาไม่ถึงยังไงเราจึงไปตัดสินแล้วว่าไม่ใช่หรือใช่แต่ว่าฉันตาต่างไม่ได้นั้นเพราะเรายอมจํานน แต่ถ้าเราเป็นคนอย่างมานี่จะว่าเป็นคนดื้อดันก็ได้ดื้อด่านก็ได้คือดันทุนลังก็ได้พูดในแง่ลบนะแต่พูดในแง่บวกก็คือคนยืนหยัดขยันแล้วก็มีความมั่นคงอในแง่บวกแต่ในแง่ลบก็คือดือ้อเดือดดื้อด่านดานนะนะันทุลังนั่นเอะแต่ในแง่บวกมันกลับเป็นการยืนหยัดขยันมั่นคงในการทําพิสูจน์ทั้งถูกทั้งผิดนั่แหละแล้วมันจะบอกให้เรารู้อันไหนมันพิสูจน์ผิด มันจะทำให้เราทุกข์และมีปัญหาเพิ่มขึ้นไปอันไหนพี่สุถูกมันจะทำให้เราโปร่งเบาสบายสติปัญญาสว่างสวขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือความพิเศษของพระพุทธศาสนาไม่มีในศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาพุทธศาสนาในแผ่นดินนี้เอาไว้แล้วก็แม้ว่าจะมีภัยลุกลานอะไรมากมายก็ต่าง แต่เราจะพยายามถึงที่สุดเพื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งดีสิ่งวิเศษถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราไม่ได้พิสูจน์คําสอนของท่านเพราะเรานึกถึงพระพุทธเจ้าและกูบยอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลพระอรหันต์ทั้งหลายสืบทอดจดเก่าจะมาถึงเราในสองพันสามพันปีแล้วเรารู้เราเห็นแล้วเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ต่อไปในการที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งคําสอนอันนี้เพื่ออนุชนรุ่นต่อไป และรุ่นก่อนๆถ้าเขาไม่คิดถึงเรานะเขาไม่คิดอย่างนี้เนาะก็ไม่มาถึงวันนี้หรอกไม่มีเราในวันนี้หรอกแต่เพราะท่านเหล่านั้นคิดถึงวันนี้และเมื่อเราสัมผัสจุดนี้พิสูจน์จุดนี้ได้เราต้องคิดถึงคนรุ่นต่อไปว่าเขาต้องได้รับสิ่งนี้เพราะเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดยากเมื่อเกิดมายากแล้วเขาได้รับได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมือนอย่างเราเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้ เขาจะตกนรกหมกไม้มากี่พกี่ชาติก็ตามแต่เขาไม่ได้มาพบกัลยาณมิตรได้มาพบในสิ่งที่ดีเขาก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้คือหลักของอ น, นิจจังอ น, นิจจังหมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงดีก็ได้เปลี่ยนแปลงร้าย ก, ก็เป็นขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีหลักไหมถ้าเปลี่ยนแปลงดีเราเรียกว่าพัฒนาหรือภาวนาถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ดีเราเรียกว่ามันเสื่อมมันสุดมันเสียหายเพราะฉะนั้นหลักของอ น, นิจจังคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นได้ทั้ง บวกและทั้งลบแล้วแต่ว่าเรามีกุศลอกุศลถ้าเรามีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกุศลแจิตสิ่งที่มันเป็นลบกลายเป็นบวกถ้าเราไปเกี่ยวข้องด้วยอกุศลจิตสิ่งที่บุบวกมันกลายเป็นลบสิ่งเดียวกันน่ะเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีกุศลแจิตหรืออกุศลละจิตได้ฝึกฝนมาถูกต้องแค่ไหนนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้อาจามาจึงไม่ท้อไง เราก็ไม่ใช่อยากได้อะไรหรอกแต่เราเห็นความสําคัญของร่างกายมนุษย์ว่าร่างกายมนุษย์นี่มันเป็นสิ่งที่ ม, มหัศจรรย์เหลือเกินใครจะสร้างไออาร์บบอตหรือไอหุ่นยนต์หรือสร้างคอมพิวเตอร์มากี่ร้อยกี่พันเครื่องแต่ก็ไม่เท่ากับร่างกายของเราล่างเดียวนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นก็เกิดจากมันสมองของมนุษย์มันไม่ได้สร้างมาด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นร่างกายนี้วิเศษเหลือเกินที่เราได้มาเพราะฉะนั้น เขาก็ควรที่จะได้มีโอกาสอย่างเราเราไม่ไปควรไปดูถูกคนที่ทำผิดทาชั่วเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะผิดใจชั่วหรอกแต่เขาไม่มีโอกาสพบกุบาอาจารย์อย่างเราเราสร้างโอกาสให้เขาสิสร้างหนทางให้เขาเหมือนกับหลายคนสร้างโอกาสและหนทางให้กับตัวเราเองเพราะเราก็เป็นคนโง่คุณหลงมาก่อนแต่ ว, วันนี้เราเป็นคนฉลาดคนรู้แล้วบ้างแล้วเนี่ยเราก็ไม่คนที่จะลืมตัวเอง ว่าอะไรที่เขจะช่วยได้ช่วยมาทำงานตลอดจะว่าวันหนึ่งนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ว่าได้เพื่อทำภารกิจอันนี้นะเพราะเราไม่ได้หวังอะไรหวังเพียงอย่างเดียวว่าได้ใช้ร่างกายมนุษย์ที่มันเกิดมายากได้มายากเนี่ยให้มันคุ้มเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์ชนิดดีสุดเครื่องหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักใช้มันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรน่างกายนี้ มันก็คือยอดของคอมพิวเตอร์นั่นเองถ้าเรารู้จักใช้มันเป็นประโยชน์มหาศาลพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวแต่ว่าส่องแสงสว่างไปทั่วโลกทั่วจั ก, กรวาลได้พระอรหันต์เพียงองค์เดียวก็สามารถครอบคุมได้ทั้งทั้งประเทศทั้งโลกได้ถ้าหากว่าใช้เป็นทีนี้ถ้าหากว่ามันมีหลายๆคนน่ะแตหลายพวกหลายๆเราอ่ะประเทศนี้จะสว่างไสวขนาดไห น, นดังนั้นเองต้องพิสูจน์อย่าไปว่าอะไรถูกอย่าไปว่าอะไรผิด ง่ายๆจะไม่ว่าคนนั้นถูกคนนั้นผิดง่ายๆท่านให้หลักไว้สองประการในการจะพิสูจน์อะไรเนี่ยอันนี้จำเอ า, าไว้เลยท่านใช้คําว่าบาลีว่าศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาพิสูจน์คนใช้หลักสองประการนี้เราจะรู้เขาถูกเขาผิดจริงศีลสามัญญาตาตาหมายความว่าเราเข้าไปคบหาสมาคม เข้าไปอยู่ร่วมเข้าไปอยู่ใกล้เข้าไปกินด้วยเข้าไปนอนด้วยเข้าไปใช้ชีวิตด้วยแล้วเราจะรู้ว่าคนนี้ถูกต้องแท้จริงแค่ไหนถึงถ้าเขาจะทำเป็นปกปิดหมกเม็ดหรือทำเป็นแกล้งว่าถูกต้องเนี่ยวันหนึ่งไอ้ท่าแท้มันต้องออกไหมเราเห็นนะถ้าเราคบเขาทุกวันนะถ้าชีวิตเขามีปกติเป็นอย่างนี้เนี่ย เราไปยุ่งรู้รวมกับเขาเราก็ยิ่งสัมผัสความจริงได้มากขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยโดยสามัญสำนึกของคนไอการจะรู้ใครถูกใครผิดใครดีใครชัว่วมันไม่ยากหรอกโดยสำนึกของคนธรรมดา ม, มันก็รู้ละเพราะฉะนั้นท่านถ้าใช่หลักพิสูจ น, น์คนน่ยใช่หลักที่หนึ่งคือศีละสามัญญตาอยู่ร่วมกินร่วมนอนร่วมคบห า, าสมาคมโดยอย่างใกล้ชิดแล้วเราจะเห็นแงม่มุมต่างๆชีวิตของเขาว่าเขาจริงเขามีท่าแท้ของความจริงอย่างที่เขาพูดไหมหรือว่าเขาประกาศโปรโมทโฆษณาตัวเองเฉย เราจะรู้ในหลักอันนี้หลักประการที่สองทิฏฐิสามัญญาตาคือการทดสอบสติปัญญาของเขาว่าเขารู้จริงหรือไม่จริงทดสอบไม่ได้ไหมายความว่าจะไปนัง่งพกนั่งเถียง เ, เขาจริงไม่ใช่เราฟังเราพูดเราถามในสิ่งที่เราสงสยัย ในสิ่งที่เราหขใจเขาสามารถให้คําตอบของเราชัดเจนแจม่มแจ้งไหมเขาสามารถแก้ข้อสงสัยของเราตกไหมนี่คือทิฏฐิสามัญญาตาถ้าใช้หลักสองหลักเนี่ยแน่นอนเราต้องได้คําตอบว่าคนนี้จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเราไม่ยอมใช้หลักสองหลัการนี้ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นความผิดของเราที่ไม่ใช้หลักการอันนี้เข้าไปพิสูจน์นะ นั่นแหละพุทธศาสนานี่มีอะไรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยนะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดนักวิทยาศาสตร์เอกอย่างอันเบอร์นไสส์ถึงก็ยอมรับนะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกถ้ามีการเกิดล่มสลายของศาสนาในโลกที่มามีพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะเหลืออยู่เพราะพุทธศาสนานั้นคือวิทยาศาสตร์ทั้งรูประธรรมและนามธรรมถ้าข้าพเจ้าจะตัดสินใจที่รับศาสนาใดศาสนาเนึ่ข้าพเจ้าจะเลือกพุทธศาสนา เห็นไหมอันเบอร์ไอน์สไตน์ที่เป็นต้นต่อเป็นผู้ที่ให้กำเนิดทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่มันเจริญก้าวหน้ามาเนี่ยเพราะแนวความคิดที่สีของเขานั้นๆเราอย่าท้อเลยที่พูดนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกตัวเดยตรงหรอกแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติไปเราท้อถอยเราเหนื่อยนายเราเบื่อให้นึกถึงตรงนี้นึกถึงแต่ม า, าพูดนี้มันจะช่วยให้เกิดกําลังใจ ถ้าเราเกิดกำลังใจมีศรัทธามีความเข้าใจแล้วเรื่องการเดินโยมคุ้มสร้างเจ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากทำที่ไหนก็ได้ทำที่บ้านยิ่งทำได้ดีเรื่องไม่เยอะมาอยู่วัดต่างหากที่มันทำได้ยากเพราะเรื่องมันเยอะคนมันหลายพ่อหลายแม่หลายพวกหลายเหล่ามาอยู่ร่วมกันเดียยงงเด๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราทนได้เนี่ยมันจะก้าเลียวกว่าอยู่ที่บ้านเพราะอยู่ที่บ้านมันเอื้อต่อให้เกิดการตามใจตัวเองตามใจกิเลส แต่มาอยู่ที่วัดเ่ยมันขัดเกลาทุกเรื่องไ อ, คอ้ความใสสะอาดความสวยงามมันจะเกิดขึ้นเร็วเหมือนพุทธรูปอะ่ะรอเอามาใหม่ๆไม่ได้สวยอย่างที่เราเห็นดังนะ่ะเกลกลังไปหมดแต่ขัดแล้วขัดอีกทูกแล้วถูอีกแล้วก็ไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ขัดถูก็ไม่ใช่ตอนแรกๆ ก, ก, ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษทรายเบอร์ตําๆนะไม่ใช่บาสโซอย่างละเอียดนะอ่าใช้อะไรอะ่ะ โยมเคยเห็นนะเขาสร้างพุทธรูปใส่ไฟเบอร์ปัดได้จนเป็นไฟแลบทั้งตัวแหละเห็นไหมลงลงหลอกพุทธรูปไปไปดูดีกว่าเขาจะปัดออกมาได้ <c oughs> น่ะกว่าจะเกลี้ยงเกลาใสอย่างที่เราซื้อมาเนี่ยมันผ่านอย่างนั้นมาอย่างโชคชุนนะฉันใดก็ดีกว่าจิตของเราจะใสสะอาดได้ต้องผ่านการขัดการเกลาอย่าง ตอนแรกๆถ้าเราเราหยาบมากก็ต้องทานการขัดเกลาที่ที่เขข้างโหดอย่างที่โยมว่าที่แพทย์แสงเทดิดโหดก็ว่าเพราะว่าต้องใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบนะสำหรับบางคนสำหรับคนหยาบนะแต่สำหรับคนที่ไม่หยาบคนที่ละเอียดอ่อนมาแล้วก็ใช้ในสิ่งที่ละเอียดอ่อนในการขัดเกลาตามนิสัยตามบุปนิสัยของแต่ละคน นั่นแะเรื่องนี้มาเลยว่าต้องพิสูจน์นะไม่ได้พูดให้เชื่อง่ายหรอกเอามาก็ไม่ได้กลัวว่าใครว่าจะยอมรับมือเราว่าใครจะนับถือไม่ถือไม่ได้กลัวแต่ทําหน้าที่สะท้อนถึงศัจธรรมออกมาเท่านั้นนะว่าศัจธรรมที่พิสูจน์มาเนี่ยมันออกมาอย่างเนี้ยแล้วถูกผิดยังไงเอาไปพิสูจน์นะอย่าเพิ่งเชื่อนะที่พูดมาเนี่ยนะดังนั้นเองเรารู้สึกโชคดีที่ได้บพบเกิดมาเป็นมนุษย์พรพุทธศาสนา พบครูบาอาจารย์ที่จริงใจพบสิ่งแวดล้อมที่เอือ้อแค่นี้มันมหาศาลแล้วบุญของเรานะนะแต่ว่าการพิสูจน์จะถูกต้องหรือไม่เป็นหน้าที่ของเราสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่เอื้ออํานวยจะดีขนาดไหนช่วยเราได้แค่ห้สิเปอร์เซ็นครูบาอาจารย์จะพูดดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนช่วยเราแค่้าสิบเอร์ซ็นตแต่อีห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใช้ความสามารถตรงนั้น นะังนั้นเองก็เอามาคือเลยไม่ได้หยุดยั้งเรื่องนี้ทำไปเรื่อยๆน ะ, ะเมื่อไรที่มันลุกไม่เดินเหินไม่ได้นั่นแหละก็ถึงจะหยุดกันแต่ก็ไม่ประมาททุกวันนี้นะรักษาล่างมนุษย์อันนี้รักษาไอ้ลูกขันอันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ถ้าไม่มีวิบากกรรมที่ร้ายแรงมาตัดรอนเส้ยก่อนนะมันก็จะทำอะไรได้นานพอสมควร แต่ถ้ามีวิบากกรรมอะไรที่เราสร้างมาในอดีตที่เราไม่รู้มันมาตัดรอนสีกด ก, ก็ปเป็นเรื่องของเขาแต่ในนปัจจุบันเนี่ยเราดูแลเขาได้ก็ดูแลให้ดีที่สุดก็เลยทำงานได้ตลอดไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็เลยเอาตัวอย่างที่เราได้พิสูจ์ได้ปฏิบัติเนี่ยมาบอกมาแชร์มาแบ่งมาปันให้กับญาติยโยมแล้วญาติโยมผู้มาจุดนี้มาสู่ทางสายนี้ได้เนี่ย ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นคนถูกพิสูจน์มาแล้วในทางวิธีการอื่นๆน้อยคนมากที่เข้ามาโดยที่ไม่ผ่านวิธีการอื่นเนะี่ยน้อยคนหมายความว่าไปวิธีการอื่นมาจนเรียกว่าไม่มีที่ไปละมาทางสายนี้เพราะฉะนั้นเราจะดูแลกันดีที่สุดเพราะมันเป็นช้อยเป็นข้อเลือกสุดท้ายสําหรับการมาที่นี่เราจะไม่เอาเรื่องของแปลกปลอมผิดเพี้ยนมาสอนกันแต่เราก็มีหน้าที่พูดให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนี้นะ แต่สนใ่ไม่ใช่นี่ต้องไปพิจารณาตามสติปัญญาของเราที่สูดตามสติปัญญาของเราแล้วเราก็จะไม่ต้องขวัญขวายดิ้นรนในวิธีการอื่นต่อไปเพราะรู้วิธีการอันนี้แล้วมันเป็นรู้ไปทุกเรื่องรู้ทุกวิธีการไม่สงสัยหลักนะถ้าเราเข้าใจหลักการวิธีการแบบเคลื่อนไหวยอย่างแท้จริงนะอ๋อที่เขาสอนอย่างนั้นมันเป็นอะไรเขาสอนอย่างนั้นเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสนาเขาสอนอย่างนั้นมันเป็นพุทธ แท้หรือพุทธเถียมเขาสอนอย่างนั้นมันเป็นพราหมณ์หรือเป็นพุทธเราจะรู้ของเราเองถ้าเราพิสูจน์หลักการนี้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิของเรานะแล้วก็โชคดีที่เรามาเกิดมาสุดท้ายภายหลังแล้วเนี่ยยังได้มาพบหลักการนั้ น, นอีกออกมาเองนี่อาศัยความยืนหยัดจะอยู่ได้เพราะถูกพิสูจน์ทุกรูปแบบนะทั้งลุยน้ําลุยไฟมา แต่มันผ่านมาได้เพราะอาศัยลูกขยันนะสมัยแรกๆมันอะไรจะขยันแบบงงๆนะเพราะข้อมูลไม่เพียงพอความทุกไม่เพียงพอแต่สมัยต่อมามันเริ่มมีประสบการณ์ขึ้นมันขยันแบบฉลาดขึ้นนะแล้วมันก็ประสบผลนั้นด้วยตัวเองแล้วเกิดความมั่นใจไม่สงสัยในหลักการก็ได้ทําได้ตลอดเวลาซึ่งได้กล่าววันก่อนว่า คนที่เป็นครูอาจารย์ชำนาญแล้วเนี่ยไม่ใช่ทําน้อยกว่าโยมนะทำมากกว่าโยมอีกถ้าท่านไม่ทํำมากท่านอยู่ไม่ได้นะแต่ทําในรูปแบบไหนท่านอาจจะไม่นั่งสร้างจังหวะเราเห็นท่านอาจจะไม่เดินจูกุมเราเห็นแต่ท่านทําตลอดเวลาในขณะใดที่มันมีความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมีแล้วตลอดเวลาแล้วท่านก็ทํำตลอดเวลานั่นต่างหากแต่ถ้าหากว่านักปฏิบัติคนไหนสามารถที่จะทําได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้องนั่นแหละ คือเข้าถึงทางแห่งมรรคผลแล้วไม่ต้องสงสัยเลยไม่มีอะไรถอยละนะถ้หาหากว่าเป็นระบบเครื่องยนต์ก็มันติดเป็นออโตโ้เ้าก็จะเป็นออโตเมติกระบบนี้เขาเรียกว่าปรามาัดนะระบบสัจจะวารู้ปรามาัดแล้วจิตมันไม่ถอยไปข้างหน้าถึงที่สุดของมันส่วนจะไปถึงที่สุดไหนเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปหวังว่งาเมื่อไหร่น้อยสักจะสิ้นอาสวะ เมื่อไรเนาะฉัจะสิ้นสังโยคเมื่อไรเนาะนจะสิ้นกิเลสไม่ต้องไปนึกถึงนึกว่าณนะขณะนี้และเดี๋ยวนี้ฉันรู้จักตัวเองพอแล้วหรือยังฉันรู้สึกตัวชัดแล้หรือยังว่าใจฉันอยู่ที่ไหนใจฉันรู้สึกอย่างไรเช็คตัวสอบดูนี้ให้ตลอดแล้วระบบปรมามัดมันจะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องหวังนะแต่สําหรับผู้ใหม่ศรัทธายัางไม่มั่นคงความเพียรยังไม่เพียงพอเนี่ย ต้องใช้ความพยายามไปก่อนต้องการกำลังใจจากครูบาอาจารย์ต้องการสภาพแวดล้อมที่เอือ้อนะต้องการการณดนิมิตที่มีกำลังช่วยเราแต่อย่าให้นานเกินไปถ้านานเกินไปโดยที่เราไม่พัฒนาเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งอาจจะเกิดโรครายเข้ามาสู่ตัวเราวันใดวันหนึ่งการณ์นิมิตได้สิ่งแวดล้อมอาจจะมีการ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแปลงลมตายหาลมหายตายจากไปจากกันเพราะฉะนั้นเมื่อพบเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้วต้องรีบเร่งทำํำคาว่ารีบเร่งนี่คือเหมือนกันนะอย่าทําแบบผิดผิดเพี้ยนเพียนมันก็จะไปกันใหญ่แต่รีบเร่งแบบมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนเราขับรถเนี่ยถ้าเรารู้เป้าหมายชัดเจนเราเร่งเท่าไหร่ก็ได้มันถึงเป้าหมายแน่นอนเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้เป้าหมายแน่นอนไอ้การเร่งเร็วหรือขับช้าเนี่ยมันก็ผิดเป้าหมายทั้งนั้น ปการสําคัญต้องเช็คเป้าหมายให้แน่นอนก่อนว่าเราจะเอาอะไรนะเรามานี่เราจะเอาความรู้สึกตัวหรือจะเอาความคิดอย่างที่ยมระเบียบว่ามันไม่เกี่ยถูกต้องทีเดียวเรามานี่เรามารู้สึกตัวนะแต่ความคิดถึงเราไม่เอามันก็ามาเพราะเป็นหน้าที่ของมันเหมื่อเราลืมตาขึ้นน่ะไม่ให้มันมองเห็นเป็นไปไม่ได้แต่อย่าลมีความรู้สึกตัวอยู่ไม่ให้มันคิดเป็นไปไม่ได้แต่เราจะปเกี่ยวข้องกับความคิดการปรุงแต่งอย่างไรตรงนี้ต่างหากสําคัญ ความคิดเนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องมันอย่างถูกต้องมันกลายเป็นปัญญาถ้าเกี่ยวข้องมันอย่างไม่ถูกต้องมันกลายเป็นกิเลสตัณหาเรื่องเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็ยังจ ะ, จะฝากเอาไว้เพราะว่ามีเวลาที่จะพบกันน้อยไม่บ่อยนักนะเพราะมาเองที่อยู่วัดร้ำก็งานหนักเพราะพระขึ้นไปเก็บอารมณ์ข้างบนถ้าเนี่ยต้องเดินขึ้นลงถ้าระหว่างข้างล่างข้างบ น, นชันประมาณหนึ่งกิโลเนี่ย เขาขึ้นลงวันนั้นหลายรอบ ก, ก็ทำได้นะเพราะเราพิสูจน์สัจธรรมไปในตัวแต่ก็สบายปกตินะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่หนาวเป็นวัดเป็นไอบ้างเป็นธรรมดาเพรมีการเปลี่ยนแปลงของแต่เราก็เป็นประมาทอย่างที่กล่าวว่าตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำกายานุปัสนาแบบเข้มข้นกันออกลองกายทำลมปานทาโยคะทำ ดื่มน้ำแขวงแขนกันเพื่อให้รักษาธาตุขันนี้ให้มีความพร้อมในการที่จะใช้งานนะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ถ้าทำได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วเพียงพอที่จะรักษารูปน้ำแล้วก็ธาตุขันในนี้ให้เข้มแข็งทำงานได้เพียงแต่ว่าแบ่งไว้สำหรับเรื่องกรรมที่เราไม่เคย รู้มาแต่ว่าเราได้ทำํำไปในอดีตเราก็ทําใจต่อเรื่องนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะรักษาดีที่สุดเราทําไมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรามีคําตอบแล้ว อ, อ๋อที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้นี่คือคําสอนของพระพุทธเจา้าที่เราพิสูจน์แล้วสัมผัส ด, ด้วยตัวเองเราก็มาแบ่งปันกันท่านเองนะนั่นในช่วงเชา้าวันนี้ก็คงจะให้ข้อคิดไว้เท่านี้เพราะเวลาเราจํากัดแล้วก็ในส่วนไหน ที่สงสัยไม่มั่นใจไม่ชัดเจนก็ถามไทยกันได้ตลอดนะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความมั่นใจแล้วมันจะไวแทนที่จะต้องรอกัน3ามปีหปีเจ็ดปีนะแต่สาวันห้าวันเจ็ดวันมารู้เรื่องแล้วมันก็ดีฟ่านะทั้นนั้นเองเรื่องนี้เป็นอากาลิโก ไม่ไว่าโอ้ต้องเท่านั้นปีเท่านี้ปีมันถ้าเข้าใจถูกแล้วก็ทําถูกจังหวะเนี่ยเป็นได้ทันทีนะองค์พระเดียดใช้คาว่าธรรมะอึดใจเดียวเคยไดีินนะธรรมะอึใจเดียวดังนั้นเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเรายังมีความขัดข้องอยู่ในใจยังมีอะไรอยู่ทำไมจึงคิดอย่างนั้นศรัทธาเรายังไม่มั่นคงเพราะเหตุอะไรตรวจสอบ คือพยายามอย่าปลอบสิ่งภายนอกปลอบใจตัวเองนี่แหละนะถ้าปลอสิ่งภายนอกมันไม่จบไงสมมุติว่าเออฉันไม่เข้าใจเพราะครูบาอาจารย์สอนไม่ถูกอ่าปลอบครูบาอาจารย์เออฉันไม่เข้าใจเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีมันก็จะออกไปเรื่อยๆแต่ฉันไม่เข้าใจทําไมฉันถึงไม่เข้าใจเพราะใจของฉันไม่พร้อมที่จะเข้าใจเพราะอะไรสอบสวนตรวจสอบตั ว, ตวเองบ่อยๆแล้วมันจะง่ายมันจะไวและสนุกในการปฏิบัติ นะกลับเข้ามานะฉะฉนั้นก็ขออนุทนาสาธุในความยินยัดยืนยันตั้งใจศรัทธาในวิธีการอันนี้ที่ผ่านมาแล้วและที่จะทําต่อไปก็ขออนุทนาสาธุในความตั้งใจให้เป็นเหตุปัจจัยให้เข้าถึงตัวมรตัวผลที่ถูกท่วนดีแล้วโดวยการทุกคนทุกท่านเถิด